พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบห้าลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่หนึ 1, ่งพฤศจิกายน2556ห้าหมีชื่อเรื่องว่าหลวงพ่อไม่มีอิทธิฤทธ วันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2556เป็นช่วงกระถินหนึ่งเดือนเมื่อออกพรรษาแล้วออกพรรษาวันที่สิบเก้าในออกพรรษาสิบกว่าวัน ในช่วงนี้เป็นช่วงกระถินวัดของเราก็ได้ดูดูรอบนอก่อางวัดท่านหน่อยก็ส่งพระไปเมื่อวานสามรูปช่วยกันแต่วัดอื่นก็มีอยู่เหมือนกันแต่ยังไงก็กระถินถ้าจะว่าใหญ่ก็ใหญ่ถ้าจะว่าเล็กก็เล็ก ถ้าจะยุ่งเหยิงวุ่นวายก็ให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่เปที่จบเหมือนกันอย่างวัดของเรานะถ้าเราก็เองกันแต่ไหนแต่ไรมามีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแบกเท่าที่จะแบกได้รับเท่าที่จะรับได้กว่าที่เขามาช่วยเอามาไม่มาช่วยก็ไม่เป็นไรผมจะได้จบไปง่ายๆเหมือนกันนะถ้าไม่มากใครไม่มามากก็ยิ่งจบง่าย คนมามากเออจบยากหน่อยแต่ที่ยังไงใครมาก็ต้องช่วยตนเองต้องพึ่งตนเองต้องปกป้องหมู่พกเพื่อนที่มาด้วยกันดูแลกันเองฮะเราจะทำหนิวัดของเราทีเดียวก็ไม่ได้แต่บางคนก็ตําหนิแหละทำหนิวัดของเราพอมาถึงแล้วก็ญาติโกโหติกา ไม่ได้พักพาอาศัยเท่าที่จะพักได้จะพักได้อย่างไรกุฏิของเราก็จำกัดถ้าใครจะโกรธโมโหกักสุดแท้จะช่วยไม่ได้พูดง่ายง่ายเพราะเหตุไรเพราะวัดวาศาสนาหลวงพ่อเองอยู่ในฐานะหลวงพ่อใครมาก็จะไปเฉกคาถาเป่าฟุดเป็นอาคารขึ้นมาให้คนได้พัก คนมานมาเป่าเสกถาเป่าฟดให้คนนั้นพักหลวงพ่อไม่ใช่พระเลวะตะพระเลวต ะ, ะ, วตะท่านมีอภินิหารท่านมีฤทธิ์พระพุทธเจ้าพร้อมพระสงฆ์จะไปเยี่ยมท่านอยู่ในปา่าท่านเป็นสมณะ น, น, น้อยอายุเจ็ดปีเป็นน้องชายภาษาริบุตรบวชมาแล้วก็ดูกลัวแม่กลัวพี่น้องจะตาม ท่านก็เล่นหนีไปอยู่ในปา่าขอลาพระสงฆ์ไปพอออกพรพพรษาภาษาเรีบุตรกับเข้าไปกราบลาพระพุทธทเจ้าจะไปเยี่ยมน้องชายอายุเจ็ดขวบอยู่ในป่าพระพุทธองค์ก็บอกว่าเอือถ้าสาเร็บุตรไปเราก็จะไปด้วยไปเยี่ยมเรวตะสัมมาเนนจากนั้นพระองค์ก็ ไปเมื่อพระองค์ไปพระก็ต้องห0 0องค์ตามเสด็จพระสารีบุตรก็พระลูกน้องบริวารของท่านอีกพอไปถึงทางสองแพ่งพระอานนต์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าวา่าทางจะไปทางไหนพระเจ้าข้าจะไปทางตรงหรือจะไปทางอ้อมถ้าทางอ้อมโค้งกว่ากัน เป็นร้อยร้อยกว่ากิโลแต่ไปทางตรงเนี่ยจะรัดใช้เวลาน้อยพระพุทธองค์ถามพระอนุนว่าพระสิวลีมากับพวกเราไหมเนี่ยพระอนุนบอกว่ามามาพระเจ้าค่ะเออเอาถ้ามาไปทางตรงเลยถ้าพระสิวลีมาด้วยให้ไปทางตรงเลย คือไปทางอ้อมเนี่ยเป็นบ้านคนเป็นอยู่เป็นระยะระยะเป็นที่บินรบาดสะดวกสบายเพราะมีคนตามรายทางแต่ถ้าหากว่าทางตรงเนี่ยเป็นทางกันดานอาจจะเป็นทางกันดานข้ามเขาหาคนไม่อยู่คนไม่อยู่คนไม่มีใครอยู่ในทางตรงเนี่ยโดยมากคนจะอยู่ทางทางอ้อมไปทางนู้นโค้ง แต่พระพุทธองค์บอกว่าไปทางตรงเลยนี่แหละจากนั้นพระอานุ น, นเป็นผู้นำทางไปทางตรงพอไปจอดลงที่ใดภุมมะเทวดาลุกขะเทวดาอากาศเจตเทพพดาอากาศเจธาเทพพญดาในถิ่นละแวกนั้นพอพระพุทธองค์เสด็จมาแล้วพระศิวเลฟที่เป็น คูบาของเรามาแล้วพวกเรามาใส่บาตรนะถ้าใครไม่ใส่บาตรแปลว่าปกบกพ้องต่อหน้าที่นเะทวดาเตือนกันจากนั้นพงศเด็จประทับอยู่ที่ไหนเทวดากขามาใส่บาตรพระศิวลีอศิวลีไปที่ไหนแปลว่าคาว่าอดอยาก ไ, ไม่มีเรื่องอาหารการบริโภคเพราะท่านปรารถนาตั้งความปรารถนาไว้แล้วอ ก็จะเป็นเลิศ ก, กว่าพิสุทั้งหลายในอาเตเลกาลา บ, บ, บพระรัศมีวุลีไปน่าสถานที่ใดรวยเหมือนกับหลวงตามหาบัวท่านไปที่ไหนมีแต่คนถอยจะถูปัจจัยท่านเนี่ยพวกเราเห็นไหมเนี่ก็เหมือนกันพระศีวุลีท่านกับไประยะทางที่ไปนั่นพอตอนเช้ามาเทวดามาใส่บาดแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่รู้อันนี้คือเทวดาเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาเนี่ย แต่ว่าเป็นเทพเจ้าเหล่าเทวาที่มาใส่บาตรจะรู้ได้ก็คือผู้มีอิทธิฤทธิ์เป็นพระอระหรันนั้นจะรู้ได้ว่านี่คือเทวดาการนอกจากนั้นเราก็เหมือนกับมนุษย์มาใส่บาตรธรรมดาจนเดินไปถึงที่พักของพระเรวตะสมมาเนน้อยสัมมาเนยน้อยเรวตสเนี่ก็เมื่อพระพุทธ mm hmm. เจ้าจะเสด็จมา เลวตาก็พระกี่องค์พระห้าร้อยกว่ากนะี่กนีลมิตรชาลาขึ้นมานิรมิตรที่พักพ่าอาศัยที่รมิตรกุติเออเต็มไปหมดในป่านะให้ครอบทุกหลังอยู่แบบสบายนะอิทธิฤทธิ์ของเลวะตะนะสัมมาเนนพระุธองค์ก็เข้าไปประทับอย่างพระสงฆ์หลายเข้าไปพัก มีหลวงตาแก่สององค์มาคุยกันเ น, นีโอ้ยพระพุทธเจ้าเสด็จมาเนี่ยเอาอกเอาใจภาษาเลบุตรเฉยเห็นไหมมาอยู่เพียงไม่กี่เดือนสามสี่เดือนมาสร้างอาคารสร้างศาลาสร้างที่พักพ้าอาศัยจะเอาเวลาไหนไปภาวนาเห็นไหมภาษนะาเลบุตรนะมาเยี่ยมน้องชาย พระพุทธองค์ก็อเอาใจภาษาเลบุตรก็มาด้วยกันแต่สัมมาเนธ เ, นเลวาตาเนี่ยดูใชมาอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ถึงสามสี่เดือนสร้างรูหลาขนาดนี้จะเอาเวลาไหนหภาวน า, อาสองขัวาตาถกเถียงกันว่างั้นเเพราะว่าไม่รู้ความอิทธิฤทธิน์นคืออะไรปุตชนก็มีได้ ไปที่ไหนมันชนดะไปเรื่อยอย่างงั้น่ะอ๋อปุตุชนมันชนดะไปเรื่อยทีนี้ก็เมื่อพระองค์พักอยู่ที่นั่นพอสมควรแล้วก็เออเอาเลวตะสัมมนเนนเเราจะได้ลาแล้วนะทีนี้นะครับผมพระเลวตะก็สัมมนเนนก็ไปส่งตามส่งพระพุทธเจ้าตามส่งพระพี่ชายภาษาริบุตรพระสงฆ์หลายก็ออกมาทั้งหมด พระพุทธองค์พระพุทธเจ้ารู้ว่าสองหลวงขัวตาเนี่ย<อ>มีทิฏฐิมีมานะมีความไม่เชื่ออยู่ในใจพระพุทธองค์ให้ลืมเลยนะลืมของกลองน้ําลืมทำมะกอกลืมของใช้ของตัวเองออกมาแบบลุกลี้ลุกลนลืมของพอเดินมาสักพักใหญ่หนึ่งตายเราลืมของสองขัวตา ของกรองน้ําเราเดินทางไม่ได้ถ้าไม่มีของกรองน้ํำมันตายเราเรียบก็ไปเอาแล้วค่อยตามมาทีหลังสองขัวตาเลยชวนกันได้ก็เดินอ้าวมาเข้าไปในนั่น น, นบอกเข้าไปในป่าที่ไหนไอ้กุฏิสาลาที่หรูหราโออาที่เคยที่พระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสงฆ์เอ พรองค์ประทับแล้วก็พร้อมพระสงฆ์เสนาสนพพระสงฆ์ที่อยู่ของพรนะสงฆ์เข้าไปแล้วไม่มีเลเดินเข้าไปมุดไปไปมุดปามเอ๊ะไม่ต้นไม้ตัว น, นี้นะที่เราเห็นไอ้ต้นไม้ตัว น, นี้นะที่เราเห็น่มุดไปมุดมาเราไปเห็นแต่ของกลองน้ำํำทำมกรกรแล้วก็ของใช้ตัวเองห้อยอยู่ในกิ่งไม้พอเห็นห้อยในกิ่งไม้ก็เลยเอาทำมกรกรเอาขอ ง, ของกลองน้ํำไรเสร็จเรียบร้อยก็เดินอ้าว ตามมาอีกไหมพอตามมาพอมาถึงมัตตาเชพตะวันพระพุทธองค์พระสงฆ์ทหลายก็เข้าไปฉันในบ้านนางวิสาขาคือนางวิสาขาประวลนาไว้ว่าถ้าพระสงฆ์เดินทางไกลเหน็ดเหนื่อยบินทบาทก็ให้นิมนต์ให้มาฉันที่บ้านของเขาที่เขาเจดนิมนต์รับ ให้พระสงฆ์มาฉันพระทหารที่บ้านของเขาเป็นประจำนี่พระสงฆ์เดินทางไกลกับพระพุทธเจ้ามากับ ไ, ไปบิณธ บ, บัติไม่ไปฉันที่บ้านนางวิสาขานางวิสาขากระถามว่าเป็นไงพระคุณท่านที่ตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปที่พักของพระเเลวตะเป็นไงดีไหมโอ้ที่พักของเเลวตะน่ารื่นรมเสนาชนะที่พักพาอาศัย สมเป็นผู้มีบุญหนักศัก์ใหญ่จริงๆเห็นแล้วโอ้หน้าปลื้มใจหน้าพักพาใสาจริงๆที่พักของพระเลวตะสมณเณรเลวะตะพอจากมันมาขัวตาสองขัวตาเนี่ยเข้าไปถึงนางวิสาขากระไำไง่ายพระคุณพระท่านมาจากไหนสององค์เนี่ยมาจากนู่นแล้วมาจากตามเสด็จไปพัก เยี่ยมพระเลวตะน้องชายภาษาลิบุตรที่ท่านอยู่ในป่าปรพระพุทธองค์พร้อมขับพระสงฆ์เสด็จไปแล้วก็ได้ตามเสด็จไปท่านไปไปไงท่านท่านไปเห็นที่พักของพระสมณเณ น, นเลวตะาแล้วเขาว่าสวยงามหรูหราใจไหมโอ้ชชมีแต่ป่าดงพงไพ่นี่เอออาตมา พาดจีวรก็ยังขาดหนามก็ยังปักเท้ายังเป็นรอยอยู่เนี่ยมีแต่ป่าดงดูดูลราเหมือนที่อยู่เหมือนอยู่เหมือนที่อยู่ของเปลลดังนัอนยังดูถูกปป อ, อีกเอยเหมือนที่อยู่ของเปลลดูอยู่ยังไงก็ไม่รู้ดูป่าดงพงไผ่โอ้ไม่น่าอยู่เลยนางวิสาขาได้ยินท่านั้นก็เออแปลกใจทําไม พระสงฆ์สองกลุ่มเนี่ยทำไมพูดไม่เหมือนกันไปด้วยกันแท้ๆนะจากนั้นนางวิสาขาเลยกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระสงฆ์จึงได้รู้ว่าเนี่ยพระเลวตะเป็นพระอาหารหันท่านนิลมิตตอนรับพระพุทธเจ้าตอนรับพระสงฆ์ที่เขาไปเยี่ยมท่านอยู่แบบนิลมิตที่พักพาใส่สมบูรณ์บริบูรณ์ ไม่มีขาดตกปกพ่องเพราะนิมิตนิรมิตของท่านเป็นของทิพย์ขึ้นมาทั้งหมดรองรับไปแต่พระสงฆ์สององค์นี่ลืมของกรองน้ำด้วยความประมาทว่าเลวตะที่มาอยู่สัมณเณรจะมาภาวนามีเวลาภาวนาอะไรทำไมก็มาอยู่ที่นี่แล้วพระพุทธเจ้าเองพระสารีบุตรเองพระสงฆ์เองเห็นแก่นะที่มาอย่างนี้ดูถูก เพราะนั้นก็เลยความดูถูกเพราะนั้นก็เลยเจอกับตนเองเนี่ยอันนี้หลวงพ่อเองไม่เป็นอย่างพระเรวตะเพราะนั้นคณะสัตยาติโจมลูกหลานเข้ามาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่ อ, ห ล, พอหลวงพ่อก็ตามมีตามเกิดมีอะไรก็เอาห้องน้ําห้องท่าบางังอะไรที่พักพาใส่ที่พักใดพักเลยนะลูกหลานนะคืนเดียร์ต้องหรอกซาลาก็มี หวงน้าร้อนที่พระฉันน้าก็มีศาลาใหญ่ก็มีลานวัดก็มีเอาเลยจะพักที่ไหนเป็นหมู่เป็นกลุ่มเป็นคณะพักพาอาศัยตามอัตรยาอาศัยเพียงคืนเดียวต้องหลอกเพราะเรามาปฏิบัติธรรมจะให้สะดวกสบาย เ, เหมือนกับอยู่ในบ้านในเรือนของตัวเองเหมือนกับอยู่ในโรงแรมไปพักไปเที่ยว โรงแรมห้าดาวมันก็ไม่ได้ละมาวัดมาบำเพ็ญกุศลถึงลำบากข้าวลำบากก็ต้องลำบากบ้างถึงข้าวสบายก็สบายบ้างพอเรามาปฏิบัติธรรมเรามาภาวนาเรามาสแสวงบุญกุศลเราไม่ใช่มาสนุกสนานเพลิดเพลินเฮ้าถ้าหากว่าเราอยากสนุกสนานก็มาที่วัดมันก็ไม่ได้เละผิดสถานที่แล้วถ้ามาเรามา วัดวาศาธนากมาเพื่อปฏิบัติมาแสวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจมาอย่างนี้แหละอย่างที่วัดของเรามีนี่แหละจะทำยังไงได้จะจะให้ลูหล้าโออาก็ไม่ได้หลวงพ่อก็พูดอย่างนั้นนะแต่บางคนก็ฟังนะแต่บางคนยังน้อยใจไม่เหมือนกับคนอื่นเขา ให้ความสําคัญคนอื่นเขามากกว่ากลุ่มของเราสิ่งเหล่านี้มันมีอยู่ในโลกทั้งหมดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านพยาญาปไปเสียไปกราบทูลพระพุทธเจ้านางมาริกาบอกว่าไม่มีใครที่จะรักยิ่งกว่าตนตัวเองตัวของเรารักตัวเองยิ่งกว่าใครอื่นพระพุทโธได้ยิน พระองกล่าวสุนทรพธ์อนนใครคาว่ากล่าวเป็นวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นกล่าวที่สุนทรพน์ว่าเรามองดูทกแห่งหนด้วยจิตด้วยจิตที่เป็นกลางด้วยจิตที่เป็นธรรมไม่มีใครรักยิ่งกว่าตัวของเราเอง ตัวของเราเองเป็นที่รักอย่างยิ่งไม่มีใครที่จะรักรักคนอื่นออไม่มีอะไรที่จะรักยิ่งกว่าตนเองตัวเองน่แหละเป็นที่รักอย่างยิ่งพระพุธองกล่าวสุนทรพจน์จากนั้นพระองค์ก็บอกว่าเมื่อตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งก็ไม่ควรจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยเพราะคนอื่นเขาเขาก็เป็นที่รัก ยิ่งของเขาเหมือนเช่นเดียวกันเพราะนั้นในเมื่อต่างคนก็ต่างเป็นที่รักชีวิตร่างกายคนตัวเองเป็นที่รักอย่างยิ่งก็ไม่ควรจะเบียดเบียนซึ่งกันและกันควรจะให้สิทธิ์กันควรจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละอันนี้คือหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือไม่ให้เบียดเบียนกันต่างคนก็ต่างรักการเป็นอยู่รักชีวิต รักอิสระรักในแนวความคิดแต่จะไปก้าวไก่กันจะไปดูถูกเยียดย้มกันเพราะต่างคนก็ต่างรักในชีวิตของแต่ละคนแต่ละเหล่าให้ประกอบคุณงามความดีใ ห, ให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันให้มีเมตตาต่อกันอย่าลังแกเบียดเบียนกันอันไหนผิดอันไหนถูกเราได้รับการศึกษามาดีแล้วเราเป็นผู้ใหญ่แล้ว ศิลธรรมคืออะไรจริยธรรมคืออะไรกิริยามารยาทคืออะไรเราได้รับการอบรมสั่งสอนมาจากปู่ย่าตายายมาจากบรรพบุรุษของพวกเรามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอันไหนไม่ควรควรไม่ควรอย่างไรอันไหนสูงอันไหนต่ำอันไหนบุคคลที่มีอุปการะคุณพ่อแม่ปู่ย่าตายาย อันไหนคือบุคคลที่เกื้อกูลหนุนเราที่ช่วยเหลือเจือจานเราอันไหนคือลูกน้องบริวารที่ไปมาหาสู่ชอบพอกันเกื้อกูลหนุนกันสิ่งเหล่านี้มันต้องวางตัวให้ถูกในสถา น, นะของตนเองเราอยู่ในสถา น, นะไหนควรจะวางตัวให้ถูกต้องนั่นแหละถ้าทำคิดได้อย่างนั้น แล้วก็ทำได้อย่างนั้นพูดได้อย่างนั้นมีแต่ความร่มเย็นผาสุขในการอยู่เป็นอยู่ด้วยกันเอารับพรอนุอนมโมทนาให้พร